จังสมาธิสักห้านาทีถึงตีลักขังแล้วฟังไม่เยอะๆแล้วลองดูซิว่าอารมณ์ที่ฟังอยู่กับอารมณ์ในอุเบกขาอารมณ์ในการรู้ลมเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนแปลว่าเมื่อกี้ดับไปแล้วอันนี้ก็เกิดใหม่แล้วมาศึกษาอันนี้จังไม่ได้ศึกษาบนจอนะครับ ศึกษาในจิตในรูปในนามนี่แหละถ้ารู้สึกว่าพอรู้ลมตอนนี้อารมณ์ไม่ใช่เมื่อกี้ฮะแสดงว่าอารมณ์เมื่อกี้ต้องดับนะอารมณ์ใหม่ต้องเกิดไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้แต่รู้แล้วเมื่อกี้จะดับไอ้นี่จะเกิดใหม่แล้วเพราะไม่เหมือนกันเลยวินาทีนี้กับวินาทีที่แล้วก็ไม่ใช่ฮะแต่ดูหน้าเหมือนกัน เ, เฉย ฝาแฝดไม่ใช่คนเดียวกันอารมณ์อาจจะดูคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกมันดิ้นรนแทบตายก็จบไปจบไปผ่านไปพอเห็นอย่างนี้มันก็จะเริ่มวางวางวางไม่เข้าไปยึดถือ สรพสิ่งลุ่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่ก่อนที่มันจะพูดคำนี้ถึงคำนี้เกิดปัญญาคำนี้โพ้งขึ้นมาเขาก็จะศึกษาเรียนรู้ดูไปจนเห็นว่าโอ้มันเกิดดับจริงๆนะไม่ว่าจะอารมณ์ไม่ว่าจะลมหายใจไม่ว่าจะสัญญาสังขารตัวไหนเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเวทนาจะดีปราณีตแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับปีติว่าดีเกิดแล้วก็ดับ จะทุกเกิดแล้วก็ดับจะสุกเกิดแล้วก็ดับพอไม่ยึดถือก็เริ่มไม่ค่อยทุกข์เพราะมันไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นทุกข์คือสิ่งเกิดดับเป็นทุกข์แต่มันก็ปล่อยไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันยังไม่อิ่มยังไม่เต็มความรู้มันยังไม่เต็มมันยังวางไม่ลงรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็ยังมีอยู่ แต่ก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เจ็บปวดทุกไ ม, ไม่มีอะไรไม่ทุกทุกหมดยกเว้นสิ่งเดียวคือทำมันไม่ตาย เสียงนาฬิกากระทบมีอารมณ์ไหมบางก็มีบางก็ไม่มีเสียงอื่นกระทบมีอารมณ์ไหมเสียงแอร์กระทบมีอารมณ์ไหมทำไมบางอย่างจึงมีบางอย่างจึงไม่มี พอสมควรคัเริ่มตตา